ความทุกข์นั่นจึงไม่ยกเวรไข่ทั้งหมดเลยกาเรียนหนังสือปริญาตีปริญาโถปริยาเอกมาก็าตามความทุกข์นั่นอ่ะมันต้องติดตามบีบคั้นเราได้เดียวความขัดใจขัดใจก็เปลวัตทุกแล้วนี่วันนี้คนมีเงินมากๆวันนี้มีเงินร้อยพันหมื่นแสนล้านมีความทุกข์ก็มีติด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 พูดตามภาษาพื้นบ้านเนี่ยว่าให้รู้กายรู้กายก็คือรูปนั่นเองรู้ใจใจคือมันนึกมันคิดนั่นเองรู้กายเป็นใหญ่ในกายเอาชนะกายให้มันได้รู้ใจเป็นใหญ่ในใจเอาชนะใจให้มันได้ก่อนที่จะเอาชนะได้ทํำยังไงแล้วก็สร้างจังหวะการสร้างจังหวะนี่มันไปตรงกับคําสอน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 ทำไปตามอารมณ์เมื่อทาไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าคนลืมตัวสิ่งที่ผิดก็มีสิ่งที่ถูกก็มีคนที่ทำผิดบ้างถูกบ้างจะเป็นคนสมบูรณ์ไม่ไม่สมบูรณ์แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเตจก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรากายก็ได้ ในขณะทํำพูดคิดไม่รู้สึกตัวนั่นเนี่ยท่านเหรอคนลืมตัวสัตว์เดลสารเนี่ยมันอยากทําอะไรมันทําไปมันอยากพูดอะไรมันพูดไปเพราะมันไม่มีสัญญามันไม่มีความละอายนั่นเองคนไม่รู้สึกตัวนั่นจิว่าทําพดูดคิดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สัตย์จิตใจตัวเองก็ทําไปตามอารมณ์แต่แคนขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจเป็นสัตว์เดลสารก็ได้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 ตัวเราก็คือเพื่อนฝูตัวเราเนัในเองชเจ่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครคือคนธรรมดานั่นเองเจ้คันคนไปโกรธคนไปด่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปโกรธพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเมน่อ้ไปโกรธคนนั้นคนนี้ไปด่าคนนั้นคนนี้ไปอิจฉานิสิยาคนนั้นคนนี้ก็ไปโกรธพระธรรม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 สัตว์ในศาลเราเคยเห็นไหมบ้านหลวงพ่อแถวนี้นะถามหลวงพ่อนี่ก็รู้จักทันทีเนี่ยหลวงพ่อเคยเห็นควายกินนมแม่เหมือนบ้างไหมเห็นฮะตัวหมากินนมแม่เหมือนบ้างไหมตัวหมูมันกินนมแม่มัอนตหมาหมูงัวควายบ้านหลวงพ่อกินนมแม่หมืนคนก็ต้องกินนมแม่มันก้เนี่ยแในขณะหมาเนี่ยมันอยู่ในแม่มันกินนมแม่มันใหญ่ขึ้นมา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 รููมันว่าเพาะไม่เพาะ ม, มันไม่รู้ใจมันรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะเพียรให้ลูกกายรู้ใจกายกับใจได้แย่ง ก, กันไม่ได้แย่กันเมื่อใดก็เสียวตายเมื่อนั้นเข้าถึงธรรมะเข้าถึงอะไรก่อนเข้าถึงรูปรูปนี่มองเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นด้ยเข้าถึงน้ำน้ําคือจิตใจนึกคิดต้องเข้าถึงสองอย่างนี้เข้าถึงรูปเข้าถึงน้ำ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 อเสบันนาจะพาลานังบัณฑิตานังจันสเสบันนาปูซาจะปูซานิญานางเอตัมมังคลามุตัมมังเนี่ยมงคลข้อที่หนเราไม่รู้อสเสวันนาจะพาลานางังหมายถึงคนผ่านคนกินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคุณซัวเป็นมิตรเกียรติค้านการงานอันนั้นคนผ่านภายนอกได้เน่ยเราเรียกมันได้สบายคนผ่านภายในคือใครเนี่ คือเจ้าโมหะเจ้าโทสัยเจ้าโลภานี่เองคนผ่านภายในเรากขยุกคนผ่านเราจะไปหนีคนผาน่นผานได้ทําไมวันนี้นี่เองหลวงพ่อมาทับยิง่งขวรคนนั้นเขาเรียนแพทย์แพทย์ทําฟันทําฟันนี่เขาว่าอย่างไรทันาแพตาแพทย์นี่เขาว่าเขามาออกทีนิดนึงแม่ผมทําชั่วแล้วเดี๋ยวนี้ครับทํำไปทําชั่วคุณรู้ไหมผมรู้รู้รแล้วคุณไม่รู้เนอคุณรู้ทำ